พระพุทธเจ้ามาตัดสรูแเ่ลาพระองค์เนี่ยพวกตัดนรกไปตกนรกไปตกอเวจีนเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยจะมาตัดสรูปอายุสี่หมื่นปีจะเที่ยวเทศเที่ย ว, ยวสอนคนอยู่เนี่ยแต่ลัศมีของธรรมะของพระศรีอริยเมตไตรจะซ่องเข้าไปถึงตัดนรกที่ไปตกอยู่อเวจีเท่ากับแสงฟาฟแมบเท่านั้นเองเยเห็นแม่เท่านั้นเอง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 ถ้าเราทําลายสิ่งไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเราหมดงานที่เราจะทําแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดงานที่เราจะทําแล้วเรียกว่าถ้าพูดตามสำนวนเ <c oughs> นี่ยเรียกสมมจันทร์เราอยู่จบแล้วสมมจันท์ก็หมายถึงบุคคลผู้ที่อยู่เย็นเป็นสุขว่าอย่างนีก <c oughs> ้ก็ได้หรือหมายถึงบุคคลผู้ที่สงบแล้วหรือหมายถึงบุคคลผู้ที่สะอาดแล้วหรือหมายถึงบุคลลบคลผู้ที่ทํางาน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 พอดีมันพูดเป๊บอย่างที่พูดให้ฟังพาสิอัลิยเมตเตรมาตัสรู้อายุสี่หมืนปีก็ยังมืด อ, อยู่ไม่รู้ที่างมันกระเจาแปดนิดเดียวมันก็ไม่ดูเลยอันนี้ถ้ามาตกกระใด่อยโจนให้เรามองที่ตรงนี้เมื่อตรงนี้ขาดไปคำว่าขาดไปนี่ทางนี้จะว่ายังไงไม่ทราบอาตมาเคยพูดให้ฟังเอาเสื้อพูดพูกต้นนี้พูกต้นนัตัดตรงกลางนะ่ะ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 นึกเอาเองนะระยะสามนาทีหรือห้านาทีเนี่ยต้องจุดนี้ขานแล้วแน่นอนที่สุดถ้าเราทํารู้วันนี้จะไม่ดีหรือจะจะไปรอใครทําให้เราปีหน้าจึงจะทําตีหรือปีต่อไปจะทาถ้าเราล้มตายลงทันทีเนี่ยจะได้มีโอกาสทําหรือหรือจะไม่มีโอกาสทำํำอาตมาตั้งใจจะมาพูดเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ก็ที่พูดกับหมอเขาว่า พูด ไ, <ห>ได้ถ้าหลวงพ่อต้องการก็ต้องการพูดอันนี้นี่เองต้องการพูดติวเนี้ถ้าไม่ต้องการพูดอย่างนี้ก็ไม่มาก็ <depict S 2> นอนโร ง, งพยาบาลพูดแล้ว <streamline S 2> <pean. S 1> เพราะว่าหมอเขาจะจัดการแล้วพรุ่งนี้เขาบอกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าหากเขาจัดการพรุ่งนี้ตอนเวลาเก้าโมงสามสิบมุทุลาแล้วกลับมาพูดให้โยมฟังไม่ได้มุทุลาแล้วก็มาพูดไปถ้าหากยังไม่มุทุลาบางทีเขาพาตัดลงไปแล้วยังไม่มุทุลา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 อันน่ะเรื่องมาได้ 2,520 กว่าปีแล้วดีแล้วแต่เราอย่าไปทิ้งแต่เราอย่าไปเยอะไปถือขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสำคัญตัณฑ์รู้เพราะอันทัน้งจิตทางใจเรามาจับจุดสำคัญจุดนี้เ่ยว่าที่อาจารมาพูดให้ดูใจเราให้ดูใจเราจนจะหมดลมหายใจก็ตามหรือวินาที่ใดก็ตาม